การรับผิดชอบนั้นอนะ่ะมันเป็นอะไรแค่เรียกกฎสินธรรมมนหนึ่งเพราะว่าในปัจจุบันเนี่คนที่ทิ้งการรับผิดชอบไปเนี่ยเขาถือว่าคนขาดคุณภาพคุณภาพบุคคลไม่พร้อมเมื่อคุณภาพไม่พร้อมก็ถือว่าขาดคุณธรรม เพราะฉะนั้นงานทุกอย่างที่จะจบลงไปได้เป็นการเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ที่ผู้รับผิดชอบในหน้าที่เราในฐานะเป็นเจ้าอาวาสก็ต้องรับหน้าที่เหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องต้องบอกว่าไม่เหนื่อย <c oughs> มันจะเหนื่อยก็เพราะว่าไม่เหนื่อยเสยอย่าง มันจะยุ่งก็ว่าไม่ยุ่งเสยอย่างมันก็ไม่ยุ่งคนที่ว่าโอยอันนั้นก็ทําอันนี้ก็ทํายุ่งใหญ่ยิ่งว่ายุ่งมันก็ยุ่งกันใหญ่แต่พอเราว่าไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งไม่เป็นไรก็มาถึงว่าในวันนี้เราก็มาถึงข้อสําคัญแล้วอีกข้อหนึง่งคืออาทิตสมานกาย อาทิตย์สมันกายนี้มีอยู่ในตัวเราทุกคนเรารู้ไหมว่าเรามีกายอยู่อีกกายหนึ่งในขณะที่เรามีกายอยู่ในกายเนี่ยเรียกว่ากายหยาบแล้วยังมีกายอีกกายหนึ่งที่อยู่ในกายของเราอันนั้นเรียกว่ากายทิพย์กายละเอียดหรือกายอาทิตย์สมันกายอันนี้ อนนี้อาทิสมันกายเนี่ยมันมีความสาคัญอย่างไรเพราะว่าถ้าเวลาเคลียร์ร่างกายหยาบแล้วไม่มีร่างกายละเอียดใจจะไม่มีที่อยู่คือจะอยู่ไม่ได้ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อพ้นจาก กายาบก็จะต้องไปอยู่ที่กายละเอียดเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ทาสมาธิทั้งหลายก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักว่ากายละเอียดนั้นคืออะไรเราสัมผัสได้อย่างไรกายละเอียดนั้นเราสัมผัสได้ในขณะที่เรานอนหลับหรือหมดความรู้สึก ในร่างกายหยาบแล้วถ้าเรายังรู้สึกร่างกายหยาบอยู่แล้วเราจะไม่ได้สัมผัสกายละเอียดเพราะฉะนั้นในข้อที่ว่าความละเอียดของจิตคือการกาจัดอารมณ์ให้น้อยลงจึงเท่ากับว่าอารมณ์นี้เองที่ทาให้จิตหยาบ ความหยาบของจิตทำให้ความปลอดโปร่งของจิตนี่น้อยลงเมื่อความปลอดโปร่งของจิตน้อยลงจิตก็มืดมัวลงความเป็นเช่นนี้ทำให้หมดโอกาสรู้สิ่งละเอียดที่เกี่ยวข้องกับจิตสิ่งที่เป็นลักษณะต่างๆคือเป็นลักษณะต่างๆด้วย อาการกิริยาของจิตซึ่งเท่ากับว่าเราอยู่กับจิตแต่เราไม่รู้ความเป็นไปต่างๆของจิตดังนั้นจึงเกิดความลึกลับขึ้นในตัวของเราในข้อนี้มีความอธิบายว่าในขณะนี้ละเวลานี้เรามีอารมณ์เยอะเมื่อมีอารมณ์เยอะ ก็ทำให้จิตของเราเนี่ยหยาบไม่สามารถที่จะไปรู้อะไรภายในได้ทั้งๆที่เราอยู่กับจิตคืออารมณ์นี้เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญแค่ว่าทำให้จิตเราหยาบอางนี้ <c oughs> <c oughs> บางครั้งเวลานอนหลับเราอาจจะพอเห็นอะไรต่อมิอะไรของความเป็นไปในจิตบ้างก็ไม่มากนะ แต่ที่นอนหลับได้มีปรากฏการให้เห็นเพราะว่าอารมณ์ได้ถูกลดระดับลงไปจิตก็ละเอียดลงไปก็คงไม่มากนะักเวลาเราจะหลับเนี่ยการธรรมดานเนี่ยเราจะต้องตัดอารมณ์คนที่นอนหลับเนี่ยเขาได้ตัดอารมณ์ไปแล้วคือเอาอารมณ์ไปทิ้งไว้แล้วส่วนหนึ่ง แต่มันไม่ได้หมดไปแต่ทิ้งไว้ส่วนหนึ่งเราจรึงนอนหลับถ้าหากว่าอารมณ์นั้นไม่คืออารมณ์นั้นไม่หมดหลับไม่ได้ก็เรียวกว่าถึงแม้จะหลับตามันก็ไม่หลับคือมันจะเข้าไปสู่ที่สมานกายไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ปรากฏการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่หลับเราเรียกว่าฝันความฝันนั้นมีปรากฏการ์แปลกๆต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากการเก็บอารมณ์หรือสัญญาที่นึกปรุงแต่งไว้ในเวลาก่อนๆ น, นั้นเก็บไว้ในใจสิ่งเหล่านี้จะมาะแสดงภาพต่างๆให้ปรากฏในเวลานอนหลับเป็นการสร้างภาพขึ้น มาเหมือนกันกับโลกโลกหนึ่งคือโลกแห่งความฝันการที่ฝันไปนั้นขณะนั้นเราให้เข้าใจว่าเราได้ไปอยู่ในอาทิสมานกายแล้วเราไปอยู่ที่นั่นแล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าที่นั่นคืออาทิสมานกายแต่เราจะไปรู้สึกตัวเอาเมื่อเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้ว mm hmm. อย่างนี้ทีนี้ในเมื่อเวลาที่อารมณ์ถูก เอ่อปลดหรืออารมณ์ถูกระงับมันก็หลับลงไปเมื่ออารมณ์ถูกระงับหลับลงไปอย่างนั้นกระเท่าก็ว่าจิตเนี่ยมีการชาระได้บ้างถ้าหากว่าชำระไม่ได้บ้างอย่างนี้ก็ถือว่านอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับนี่ร่างกายจะเกิดการสุดโมเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดการลําบาก เราจะเกิดความหงุดหงิดลำบากมากมายจอกะทา่งทำให้เสียสติแต่ทีนี้เรานอนหลับได้เพราะว่าเราได้กำจัดอารมณ์ไปได้ระยะเรียกว่าคณิกะสมาธิอันความฝันนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันจะฝันอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามการสร้างภาพขึ้นบางครั้งฝันดี เราอยากจะให้เป็นอย่างนี้อีกก็ไม่ได้บางครั้งอาจจะได้บางทีก็ฝันแบบต่อเนื่องก็คงมีน้อยเราคงจะมีความดีใจเมื่อฝันดีคงจะเศร้าใจเมื่อฝันร้ายจนเกิดทั่งมีหมอดูมาทำนายฝันแต่หากมีกรณีพิเศษความฝันเด่นชัดก็ออกมาในทางสามารถพยากรณ์ได้ เช่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริมามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะทรงสุบินิมิตว่าเห็นช้างเผือกถูกพยากรณ์ว่าจะได้ผู้มีบุญบา ร, รมียิ่งใหญ่มาเกิดและทรงประสูติพระราชอรถเป็นชายและในเวลาต่อมาก็ทรงเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แตนั้นการนอนหลับจึงถือว่าได้ลดระดับอารมณ์มาอยู่ขั้นหนึง่งถ้าอารมณ์มิได้อยู่ในระดับนี้คนเราจะหลับไม่ได้จึงเป็นอันได้ความว่าอารมณ์เวลาหลับนั้นได้ลดลงเท่ากับสมาธิขั้นต่ําอันเป็นธรรมชาติของสัตว์และบุคคลอันนี้คงพอจะเข้าใจกันได้แล้วเมื่อความละเอียดของจิตเกิดการปร่งใสในขณะนอนหลับนั้น จึงจะเป็นระยะที่ได้คุกคีกับอธิสมานกายพอาทิสมานกายนั้นหมายถึงกายละเอียดที่มีอยู่กับมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนจะเห็นอธิสมานกายนี้ไม่ได้เพราะจิตยาบขอจิตละเอียดโดยการผ่อนคลายอารมณ์ลงจนได้ระดับหนึ่งเราพอจะคุกคลีกับอธทิสมานกายได้ในที่นี้จะเป็นเหมือนกับสิ่งลี้ลับ จึงทําให้บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเข้าใจว่าเป็นสิ่งลี้ลับความลี้ลับต่างๆนี้จะถูกคาดคะเนและตาวเอาตามความสามารถของบุคคลหมู่ชน น, นั้นๆจะใช้ความค้นคว้าเจาะหาความล่มลึกนี้เอามาบัญญัติด้วยความสามารถแห่งชวนาปัญญาเพราะว่าลักษณะนี้เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เขาจึงเอาเรื่องที่เขาพบประคุกคีกับอธิสมานกายเพราะอธิสมานกายเริ่มด้วยคณิกะสมาธินำออกมาบัญญัติข้อความต่งางๆขึ้นเอามันจัดขึ้นมาเท่าที่ชวนปัญญาของผู้ที่เหนือผู้อื่นบางอย่างเป็นต้นในที่นี้นั้นบางคนที่ มีะวังตื้นๆพอเวลาที่มีอะไรมากระทบหน่อยจิตเข้าผวังไปเลยพอจิตเข้าผวังก็เข้าสู่อธิสมันกายพอเข้าสู่อธิสมันกายแล้วมันก็เกิดความไม่รู้เรื่องแล้วแต่ว่าใจในขณะนั้นจะบังคับเมื่อบังคับแล้วอธิสมันกายก็ อ่าไร่ไปตามเรื่องเมื่อไร่ไปตามเรื่องแล้วพอเลิกก็หมายความว่าออกจากพวังกระทะก็ว่าตื่นเอ๊ะฉันทำอะไรไปแล้วในขณะนั้นผู้มีชวนะปัญญาหรือมีปัญญาเหนือบุคคลผู้อื่นก็ไรยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เข้าไปสู่อธิสมานกายนั้นเอามาเป็นข้อบัญญัติ เอามาเป็นข้ออะไรต่างๆเนี่ยมากม า, กายกก่กองเึ่นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ใช่เป็นของจริง <c oughs> ด้วยเหตุผลอันนี้เองเรามาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับอธิสมานกายเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่ออารมณ์ได้ถูกสมาธิขจัดไปเรื่อยๆ จนจิตนี้ละเอียดลงเป็นสมาธิละเอียดมากขึ้นจนพอที่จะมีความรู้สึกได้ว่ากําลังสัมผัสกับกายทิพในขณะนั้นเรากําลังจะแยกออกจากกายหยาบเพ <c oughs> ื่อเราจะต้องรู้ว่าเวลาที่เ อ, อเข้าผวังไปนั้นอ่ะมันกําลังจะแยกคือแยกตัวในขณะที่ อยู่ในขณะที่เราไม่ได้เข้าพู้วังอยู่ตามปกตินี้เป็นลักษณะนะเมื่อเวลาหลับแล้วเนี่ยมันจะแยกคือแยกคนละส่วนแยกไปอยู่ที่กายละเอียดเพราะว่าประสาทสุดท้ายเราจะต้องจาตัวนี้ว่ามันมีประสาทเนี่ยมันจะมีประสาทสุดท้ายประสาทสุดท้ายนี่จะถูกเคลียถ้าประสาทตัวสุดท้ายนี่เคลียไม่ได้มันจะหลับไม่ได้ พอประาสาสุดท้ายนี่ถูกเครียร์พักนี่มันจะหลับได้เลยอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> การแยกระหว่างกายหยาบระกายละเอียดยังอยู่เหมือนธรรมชาติแม้ว่าจะมาจากสมาธิเพราะว่าอิทธิพลสมาธิยังไม่สูงจึงอยู่ในสภาพที่ยังอยู่ภายใต้ ค, ความควบคุมของมันเองเขื่อนทิสมมนกายเรายังควบคุมอะไรไม่ได้เช่นการนอนหลับนั่น จะถูกแยกจากกายหยาบมาสู่กายทิตดังนั้นความรู้สึกตัวในกายหยาบก็หายไปจะรู้สึกกระต่อเมื่อถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงจึงจะมีความรู้สึกจนกระทั่งกายหยาบมีสัมผัสไปยังกายละเอียดแล้วแต่การหลับจะสนิทแค่ไหนอันนี้เราอธิบายให้เข้าใจถึงว่าเวลาที่เราสัมผัสกับกาย ทิคืออธิสมานกายเนี่ยเราได้สัมผัสอย่างนี้อันนี้พูดกันไปตามธรรมชาติตามธรรมชาติหมายถึงสมาธิกับสมาธิธรรมชาติ เ, เข้าไปสัมผัสกายทิปคืออธิสมานกายก็เข้าไปสัมผัส ต, ตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราสร้างขึ้นแบบเราสร้างสมาธิในกรณีที่วางยาสรุปหรือ ระงับความรู้สึกอารมณ์ด้วยวิธีวางยายานี้มีความลดระดับอารมณ์แบบขมขี่เพราะจุดอารมณ์ตรงนี้จะเป็นตรงนี้มีการระงับด้วยการน็อกยาได้ทำการน็อกประสาทให้หยุดทำงานชั่วคราวณที่นี้เองเราจะทราบว่าหน่วยประสาทหน่วยประสาทนั่นหมายถึงกายหยาบ ที่มีจุดติดต่อกับกายละเอียดเขาจะจิตติดต่อกันได้ตรงไหนเราจับไม่ได้พอเวลาเขาวางยาพักอู้อู้อู้อไปเดียวเดียวไปแล้วอย่างเงี้ยพอเวลาที่เราจะรู้สึกก็เมื่อมันสิน้นฤทธิ์ของยาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นั่นน่ะเป็นเรื่องของการข่มขีมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีนักมันเป็นเรื่องของการ กฎหรือเรียกว่าข่มขีเพราะจุดนอกที่วางยาสรุปนี้เป็นจุดระหว่างเส้นสุดท้ายของการติดต่อระหว่างกายหยาปกับกายละเอียดแต่ในกา ร, รวางยานั้นเป็นการกำจัดทาโดยการข่มขีหรือบังคับให้เป็นไปตามคนไกลของวงการแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเขาสามารถจะแยกกายหยาบสู่กายละเอียดได้เช่นกับสมาธิจึงทำให้กายหยาบหมดความรู้สึกแต่การทำเช่นนี้ไม่ได้มีผลทางสมาธิการที่เขาระงับกายหยาบโดยวิธีการวางยาหรือโดยวิธีการกินยาระงับประสาทเหล่านี้ไม่มีผลทางสมาธิไม่มีพลังจิต แม่สักเท่าใหญ่ยยบัวคือมันมันไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันถูกการกอการกดขี่องเหงกันแต่การก็ะทำเช่นนี้ในชีวิตหนึ่งหนึ่งถ้าทำมากครั้งจะเป็นผลเสียหายมิดได้เป็นผลดีเพราะฉะนั้นคนที่ถูกวางยาบ่อยๆคือหมายความว่านอกถูกนอกบ่อยๆเนี่ย จะทําให้เปลี่ยนนิสัยแล้วก็จะทําให้เป็นคนวิตกจริตแล้วก็จะทําให้การเปลี่ยนแปลงเรียกว่าคล้ายๆก็ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่หลงขี้ลืมอะไรมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะถ้ายิ่งใช้ยาสรบมากนักนก็เลยอาจจะเสียคนไปก็ได้เช่นเดียวกันแล้กับการที่อ่า คนได้นอนไม่หลับแต่ว่าได้กินยาระงับประสาทบางอย่างเมื่อกินยาระงับประสาทไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้อหลับสบายก็จริงแต่ว่าอันนั้นคือการกดขี่ว่าการกดขี่คือการข่มเหงกัน่ะอการไม่เอาแล้วจะจะบังคับให้กันเอาอย่างนี้ยเ้าเรียกว่าข่มเหงกันแต่ว่า เมื่อเราใช้พอประมาณไม่เป็นไรแต่ใช้มากไปมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนนิสัยคนที่กินยานอนหลับมากๆเน่จะเปลี่ยนนิสัยไปนคือเปลี่ยนนิสัยไปนในทางไม่ค่อยดีนักอ่ะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> มันจึงถือว่าสู้ระงับด้วยสมาธิไม่ได้ การทำสมาธิแยกระหว่างกายหยาบสู่กายละเอียดไม่ใช่เป็นการวางยาหรือสกัดจุดน็อกการกระทำเช่นนี้อย่าทำให้ถึงกับการแยากกายหยาบสู่กายละเอียดไปเลยไอ้ที่พูดไว้ตรง น, นี้นั้นให้เข้าใจว่ามันจะมีบางคนที่เขามีพลังจิตสูงสามารถที่จะบังคับจิตเราได้ คือบังคับบังคับให้เข้าผวังพอบังคับให้เข้าผวังแล้วก็บอกได้ใช้ได้อย่างนี้มีเขาเรียกว่าริศทางใจบอกว่าถ้า ก, การกระทำอย่างเงี้ไม่น่าจะทำเลยเขียนไว้ไหวๆอย่างนั้นคือมันมีอบางทีบอกถ้าหากว่าไอการที่ถูกบังคับจิต ให้เข้าสู่พวังเนี่ยจะถูกใช้ด้วยบุคคลที่มีพลังกิจเหนือกว่าใช้ได้ตามความประสงค์บอกว่าแกนะพูดบกว่าสวรรค์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นฉันก็จะพูดตามเห็นไหมเห็นพ่อไหมเห็นครับเห็นแม่ไหมเห็นครับเห็นลูกไหมเห็นครับเพราะนั้นตายไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีการโต้อตอบกันได้ไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิชนิดหนึ่งเนื่องด้วยว่าบุคคลนั้น่ะมีจิตใจอ่อนกำลังจิตอ่อนสามารถที่จะเพ่งให้เขาเข้าผวังไปได้พอเพ่งเข้าพวางไปได้ก็หมดความรู้สึกพอหมดความรู้สึกก็นำและทีนี้ นี่สวรรค์นะอแกมาถึงนีสวรค์ใช่ไหมใช่ อ, อพ่อแม่แกทำบุญแล้วมาได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อะไรไอ้อพวกนี้พูดสร้างภาพเท่านั้น อ, อสร้างภาพจากเ อ, อบุคคลผู้มีสมาธิเหนือกว่าเพราะฉะนั้ น, ม, นมันจึงมีว่าในอดีตเนี่ยอตั้งแต่ครั้งสมัยพระพุทธการหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีอยู่ พวกสกดจิตทั้งหลายเขาจะพาไปนรกเขาจะพาไปสวรรค์แต่ว่านรกสวรรนคะ์อ่ะมันไม่ใช่หรอกแต่มันเป็นอำนาจจิตของบุคคลหนึ่งที่จะพาไปเพราะฉะนั้นพระจึงบัญญัติไว้ในวินัยว่าห้ามภิกษุมาให้กระทำเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นนี้ถ้าหากว่าทำเช่นนี้จะปรับอตบิอย่างนี้เป็นต้น เ, เมื่อกล่าวมาถึงนี้ก็พอจะทราบเป็นแนวทางแล้วว่าอาทิศสมานกายนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับสมาธิความรู้สึกของกายทิพยังมีสุขมีทุกข์เป็นเวทนาได้ก็เพราะว่ากายทิพที่มีอยู่ในตัวเรานั้นคอยต้อนรับใจเราอยู่ตลอดเวลาที่ว่าคอยต้อนรับใจเพราะว่ า, าการจะไปต่อพบหรือจะมีขั้นตอน เขาจึงจำเป็นต้องรับผิดชอบใจดวงนี้ต่อจากกายหยาบในตรงนี้คำว่าพบหรือว่าขั้นตอนหมายความว่าตายแล้วเธ <c oughs> อร่างกายหยาบนี้ได้สลายตัวแล้วใจนี้ก็ยอมต้อนรับอยู่เสมอเมื่อกายหยาบถูกสลายตัวไปใจจะรับทันที พอรับทันทีแล้วมันก็จะกลายไปเป็นภพอ่าที่เขียนไว้ในนี้คือภพพอสมเภากับพอพานเนี่ยใคเรียกว่าภพชาติหมายความว่าตายแล้วก็จะต้องไปเกิดไปเกิดที่สวรรค์ชั้นนั้นไปเกิดนโลกชั้นนี้จะต้องไปอะ่ะบางคนก็คิดว่าโอ้ที่ประชญ์เนี่ยมีวิญญาณมีผีเยอะแยะที่จริงแล้วมันไม่มีหรอกเพราะว่า เวลาตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้มาอยู่ที่ร่างนี้อวิญญาณเขาจะต้องไปที่เรียกว่าภพเรียกว่าขั้นตอนของภพแต่กายหยาบนี้จะได้รับความรู้สึกอความเป็นไปความติดต่อสัมพันธ์ความพร้อมมวลบริบูรณ์ประกอบการหมายความว่ามีความรู้สึกทําการทุกประการ จนเกิดสังคมโลกทั้งอดีตและโลกวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอันนี้หมายถึงกายหยาบกายหยาบนี่จะถูกใจเนี่ยสั่งการให้ทำได้ตามความประสงค์จะทำทุกอย่างได้ส่วนกายละเอียดมีส่วนที่จะรวบรวมความได้ละเอียดที่ถูกกันกรองเก็บสะสมสัมพันธ์กับใจอย่างสนิทเขาเรียกว่าพลังภายในช่วยส่งเสริมให้มีอิทธิพล แห่งความเหนือชั้นเกิดพลังเหนื อ, อความรู้สึกภายนอกบอกตำแหน่งแห่งความเออบิ่มนุ่มนวลหรือความทุกข์ร้ายกาศดังนั้นผู้ทาสมาธิแม้จะมากน้อยเป็นผลทำให้ความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างในทางดีได้อย่างดีคือหมายความว่าเวลาทีา่จิตของเรานั้น คือเวลาที่ร่างกายอยาบนี่ตายไปแล้วกายละเอียดเนี่ยเขาได้ถูกกันกรองแต่การกันกรองนั้นอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าการกันนันก็คือย่อตัวลงมา อ, อ, อย่างเราจะกันน้ำอ้อยอย่างนี้จากน้ำใสจนกระทั่งเหลือมาน้ำข้อนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกายละเอียดนี่จะย่อส่วนลงมาให้เป็นน้ำข้น เพราะฉะนั้นเมื่อร้ายก็ร้ายจริงเมื่อดีก็ดีจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครทําบาปไว้หรือสร้างความไม่ดีไว้ต่างๆเนี่ยมันจะย่อลงมาเป็นเรียกว่า เ, เป็นน้ำวุ้นหรื อ, เ, อเป็นน้ำตาลแข็งอะไรอย่างนี้แต่ก่อนมันเป็นน้ำเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วความไร้กาดอันนี้มันก็จะนากายทิพย์อันนี้ไปสู่นรก ได้เพราะว่าความร้ายกาศที่ได้ย่อการกรองย่อลงมาหมดทีนี้ถ้าหากว่าไปการทำดีสร้างความดีก็จะการกรองลงมาจนกระทั่งคนแล้วทีนี้ก็จะนำร่างกายทิปย์ิษมานกายเนี่ยไปสู่สวรรค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นความจริงการประสานระหว่างกายหยาบกละกลายละเอียดนี้น่าศึกษามากสาหรับ นักศึกษาครูสมาธิเพราะว่าระหว่างจุดต่อระหว่างกายหยาบจะสัมพันธ์กับกายละเอียดนั้นจะมีคำพูดในทำนองไหนของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะแสดงอธิบายตามลักษณะสรีรวิทยาก็ได้เพราะอย่างไรเสียวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะแสดงแต่เฉพาะกายหยาบเท่านั้น เขาจะที่ายกายละเอียดคือที่สมานกายไม่ได้เป็นอันขาดส่วนอาตมาเองก็ยังไม่สันทัดเข้าใจในสารีระวิทยาวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องร่วมงานกันตรงนี้เพื่อเข้าใจจะได้นำาวลมนุษยชาติที่ยังไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องทำสมาธิเอาสมาธิมาทำไ้ <c oughs> ให้เจาะลึก นะลองตรงความเป็นจริงในข้อนี้จะเป็นเรื่องง่ายมากที่ทุกๆคนเข้าใจถึงสมาธิเพื่อประสานงานในเรื่องของอทิสมานกายที่ทำความลี้ลับให้แก่บุคคลทั่วไปถูกเปิดเผยโดยสมาธิที่ว่าเป็นของอยากให้ง่ายขึ้นเหมือนกันกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาคิดวัดจินขึ้นแต่ก่อนเป็นโรคอะฮิวาก็ตายลูกเดียว แต่เดี๋ยวนี้เป็นโลกอะิวาเขา ก, ก็ทำหายอย่างง่ายด้กายทิพย์และกายหยาบทั้งสองประการนี้มีบทบาทเก่การทำสมาธิอย่างยิ่งกายหยาเป็นผู้ทำโดยรับคำสั่งของใจให้ดำเนินตามคำสั่งมีศรัทธาพราะได้รับการแนะนำพอใจในคำแนะนำ าการฝังใจซึ่งเหตุผลพอใจในเหตุผลจึงมีคาสั่งมายังกายหยาบกายหยาบสัมผัสจุดที่ใจสั่งการได้คือประสาทที่ยังไม่ตายถ้ากายหยาบตายหมายถึงระบบรับจากใจนั้นรับไม่ได้แล้วหมดสภาพพระสภาพดีดีอยู่ระบบกายหยาบจึงจะมีประสาทรับคาสั่งได้ ถ้าหากว่าตายแล้วเราจะสั่งอะไรใจจะสั่งอะไรมันก็สั่งไม่ได้ทั้งนั้นทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไปอยู่กายละเอียดหมดแล้วอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวร่างกายนี้จึงเป็นตัวประสานทําให้เกิดสมาธิเมื่อมาถึงจุดนี้คือกายละเอียดแม้กายหยาบจะสิ้นสภาพแต่กายละเอียดจะไม่สิ้นสภาพมีจุดหนึ่งที่จะรับคําสั่งจากใจมีสภาพเกี่ยวข้อง กับกลไกต่างๆไม่มากทำหน้าที่อยู่ในระดับเพียงความรู้สึกแห่งความละเอียดไม่เป็นตัวของตัวเองร0อยเปอร์เซ็นตแต่กายหยาบจะพิกแพงทำได้ร้อยเปอร์เซ็นตามคำสัง่งเมื่อเราไปอยู่ในกายละเอียดแล้วนั้นเราจะทำเหมือนเราอยู่ในกายหยาบไม่ได้เพราะกายหยาบนี่อยากวิ่งก็วิ่งอยากเดินก็เดิน อยากวอร์ร์กก็ได้อยากตีลังกาหกขมนันอะไรมันทำได้ทั้งนั้นแต่เมื่อไปอยู่ในกายละเอียดโดยที่ไม่มีกายหยาบแล้วนี่จะไม่อยู่ในสภาพที่อยู่ในคำสั่งของใจได้ร้อยเอร์เซนจะอยู่ในสภาพของอความรู้สึกบางประการเท่านั้น <c oughs> จึงไม่สามารถที่จะรู้อะไรซึ่งกันและกันได้แม้จะอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่เห็นกันทำอะไรกันไม่ได้เพราะเหตุคือความมัวของจิตจนพลังจิตไม่พอดังนั้นจึงเหมือนไม่มีไม่รู้และไม่เห็นทั้งๆที่ก็อยู่ด้วยกันซึ่งกายทิพนี้หากและความมัวความอ่อนกำลัง ความไม่มีสมาธิของจิตนี้เป็นเช่นนี้กายละเอียดก็ปรากฏไม่ได้เข้าใจกันไม่ได้เห็นใจกันไม่ได้หมดความรู้ว่ามีกายละเอียดหรือไม่คือไม่รู้ไม่เข้าใจเอาเลยว่าโลกนี้ยังมีอะไรใกล้ตัวที่สุดที่มองไม่เห็นทั้งนี้พระสิ์ความเป็นใหญ่ของกายหยาบมากมากจนเกินไป จนตัวเราเข้าใจตัวเราเองว่าเรานี่แหละเป็นตัวคือหมายถึงว่ากายหยาบเป็นเราเป็นเขาก็คือคืออันเนี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นที่อยู่ในกายหยาบเนี่ยจนกระทั่งมีอารมณ์มากไม่สามารถที่จะรู้ว่าหลายแหล่แล้วจนถึงได้รับการแนะนำจากท่านผู้สันทัดกรณีเชี่ยวชาญในเรื่องสมาธิ จะทําให้เกิดสมาธิอย่างแท้จริงอาจารย์ไม่ปิดบังความเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงจนในที่สุดเขาสามารถค่อยๆกําจัดความมัวของจิตแล้วก็ค่อยๆสัมผัสกายละเอียดจนสามารถสัมผัสได้มากขึ้นจนถึงทราบความละเอียดต่างๆของกายละเอียดเมื่อจิตมีพลังสูงก็สามารถบังคับกายละเอียด ดุดที่จะบังคับกายหยาบในเมื่อบุคคลผู้ที่ทาสมาธิเข้าสู่กายละเอียดสามารถที่จะบังคับสามารถที่จะทําำได้ดุดจะกายหยากแต่ถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่มีสมาธิตามปกติเนี่ยพอไปสู่กายละเอียดแล้วก็เหมือนเราฝันอย่างังนะมันจะไปก็มันเรื่อยไป โดยว่ามันจะไปที่ไหนก็สุดแล้วแต่กรรมน่าจะพูดโดยรวมก็คือกรรมจะมีความเห็นเป็นไปยังไงเนี่ยมันจะบังคับไม่ได้แต่เมื่อเวลาเราทำสมาธิเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพแล้วสามารถบังคับได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำสมาธิได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยไม่มีไปนรก เรียกว่าปิดทางการไปนรกเด็ดขาดเพราะฉะนั้นซึ่งในที่นี้จะเป็นเรื่องอัศจรรย์ทีเดียวแต่การทํางานเกี่ย ว, วกับกายละเอียดนี้มีมากที่จะต้องอธิบายเพราะเกี่ยวข้องกับความผิดความถูกทันทีที่กายละเอียดได้รับอิทธิพลจากพลังจิตสูงเข้าขัน้นจะสัมพันธ์กับกายหยาบได้เมื่อจิตเป็นอกุศลหรือถูกอิทิ อิทธิพลของกิเลสหมายความว่าความรักความชังความโลภโกรธหลงอก็สนละมูลเหล่านี้จะมีอิทธิพลสูงการจะมีพลังเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมกายละเอียดนั้นจึงจะทําให้เดินไปตามทางพลังนั้นเกิดความผิดอะไรต่างๆได้ในที่นี้อธิบายไว้ว่าเมื่ อ, อบุคคลผู้นั้น ทำจิตสูงได้ก็จริงมีพลังจิตได้มากก็จริงแต่ว่าพลังจิตนั้นได้เกิดความโลภโกรธหลวงหากุศลนลมูลเนี่ยอันตัวนี้จะเป็นตัวประการสำคัญที่ว่าจะมาทำให้พลังจิตอันนี้เดินไปในทางที่ผิดได้ มันมีอากุศลลมูลนี้เท่า น, นั้นที่จะทาให้จิตไปสู่อากุศลลมูลได้ในทันทียกตัวยอย่างเช่นพระเทวทัตเมื่อถึงการกระหาะได้แล้วก็พลังจิตก็สูงแต่ว่าถูกอากุศลลมูลเนี่ย เ, เข้ามาทีนี้เป็นอากุศลลมูลนี่มันจะแรงกว่าคนที่ไม่มีสมาธิ ม, มันแรงกว่า <c oughs> จึงไปในทางที่ผิดได้ด้วยเหตุนี้การที่จะสัมพันธ์กับกายละเอียดจึงต้องใช้คำว่าสัมมาคือความถูกต้องโดยหลักการคือการหาเส้นทางกลางแต่ณที่นี้จะกล่าวถึงกายทิพย์ที่บุคคลได้สมาธิแล้วได้สัมผัสพร้อมกันนั่นก็จะดำเนินการโดยจับสุ่หมายถึงตาใน จะอธิบายคําว่าตาในอันนี้แหละจะรู้ได้ว่ากายที่เป็นอย่างไรมีจริงหรือไม่มองทะลุปุโปรงในเรื่องต่างๆที่ลี้ลับเราเรียกกันว่าตาในที่ตาไกลายหยาบไม่สามารถจะรู้ได้เราจึงยอมเชื่อท่านผู้เป็นเกจิอาจารย์ที่มีสมาธิสูงกว่าท่านเป็นผู้มีตาในก็ยอมรับที่จะปฏิบัติตามเพราะความเชื่อนั้น ซึ่งบางทีเกจิอาจารย์นั้นยังไม่พบิตย์สมานกายด้วซ้ำไปแต่ก็ยอมเชื่อเพราะท่านเดาถูกดังนั้นบางอาจารย์จึงใช้ความลี้ลับของกายทิพนี้เป็นทางให้เสกปาฏิหารบางอาจารย์อาจจะเข้าถึงจริงแต่ก็เป็นเพียงขนิกะแล้วก็ทำอะไ ร, ประแปลกเกินกว่าคนธรรมดาทำให้เกิดความเชื่อหลายอย่างดังนั้นกายทิพ ยังมีส่วนความลี้รับอันนี้เราพูดไว้อย่างนี้เพื่อที่จะตักเตือนไว้ว่าบางที เ, เขาจะเป็นอาจารย์ก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่าเดินทางผิดแล้วมันเป็นมิจฉาแล้วก็มันเป็นสัมมาได้สองอย่างถ้าจะเป็นการถูกต้องก็คือกายทิพมีความสัมพันธ์กับจิตได้มีความสหอาดเพราะเกิดสมาธิขึ้น จนถึงการคุ้มคีระหว่างกายละเอียดกับจิตมีการปรับตัวชำระทั้งสำรวจเราลองคิดดูว่าจิตที่สัมพันธ์กับกายหยากสามารถแต่งตำรับตำราคิดเทคโนโลยีค้นคว้าหาข้อมูลเหตุผลเจาะลึกถึงความเป็นมาพิสูจน์หลักฐานรบปราฆ่าฟันตกแต่งก่อสร้างคุยเรื่องรื่นเริ ง, เรงสรพัดเพื่มาได้อย่างนี้ เพราะเกิดขึ้นมาอย่างมาหัศจรรน่าอัศจรรย์อันนี้มันเป็นเรื่องของ เ, ออเราลองคิดดูถึงว่าอันนี้อันนี้การสัมพันธ์กายหยาบคือว่าอธิบายมานี่ตรงนี้มันจะ อ, อตัดตอนกันหน่อยหนึ่งว่ามีการให้ลองคิดดูว่าจิตที่สัมพันธ์กับกายหยากไอ้อที่จิตกายอยากที่มันคิดเทคโนโลยีรบรา้าฟันกันนี่คิดว่า มันก็เกิดขึ้นจากกายหยาบทีนี้ส่วนกายละเอียดนั้นเมื่อมีกายละเอียดเกิดขึ้นมันก็จะต้องมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความอัศจรรย์ยิ่งกว่าเคยยิ่งกว่ากายหยาบนี่อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบและทีนี้ในการอธิบายนี้ก็มากเราวันนี้ธิบายเพราะว่าเรื่องของทธิสมานกายมันเยอะ ก็เลยก็จะต้องอธิบายให้มากหน่อยแล้วก็ย่อใจความว่า <c oughs> ออการเคลียร์ร่างกายหยาบสู่อาทิตย์สมานกายด้วยธรรมชาตินี่การเคลียร์กายหยาบด้วยสมาธิสู่อาทิตย์สมานกายมีสองอย่าง <c oughs> ถ้าเคลียร์ร่างกายเนี่ยให้สู่กายละเอียดคืออาทิสมานกายนี้ด้วยธรรมชาติไม่มีผลทางสมาธิได้กล่าวไว้แล้วคือเพียงแต่ว่าหลับกันไปเท่านั้นตามปกติแต่ว่าถ้าเคลียร์กายหยาบด้วยสมาธิจิตเข้าถึงอทิสมานกายจะเกิดความสุข และได้รับพลังได้รับพลังจิตด้วยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากอันนี้การที่คนเคลียร์ประสาทโดยการวางยาสลบหรือกินยาระงับประสาทอันนี้ก็เคลียร์เหมือนกันแต่เคลียร์แบบกดขี่อันนี้เป็นอันตรายสรุปได้สามข้อคือข้อที่หน สรุปว่าการเคลียร์กายหยาบสู่อาทิตย์สมันกายด้วยธรรมชาติการเคลียร์กายหยาบสู่ทิศสมันกายด้วยสมาธิการเคลียร์กายหยาบด้วยการน็อกยาสลบและยาระงับประสาทสารประการวันนี้ก็อธิบายเยอะจะทํำยังไงได้อ่ะเรื่องมันยาวอ่ะแล้วทีนี้จะไม่ให้พูดถึงเรื่อง หลวงปู่มัน่นนักศึกษาก็คนจะยอมไม่ได้เพราะว่ายังไงก็ต้องรอฟังเรื่องอื่นก็เอาไวท้ทีหลังก็แล้วกัน <c oughs> เมื่ อ, อหลวงพ่ออยู่กับท่านก็ได้รับการแนะนำจะแนะนำยังไงก็สุดแล้วแต่และหลวงพ่อเห็นฝนมันตกอ วันนี้ฝนตกเรานอนสบายดีกว่าฝนเมื่อตกจักจักจักจักจั ก, จกลงมานอนหลับปีแคโด้ตื่นขึ้นมาแง้มประตูโอ้หลวงปู่ลงมาอลองน้ำใส่โองตายแล้ววะเราก็กลุกขึ้นกระโดดเลยเอพอกระโดดไปถึงวิ่งไปหาท่าน หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมเองผมเองเฮ้ยแกไม่ต้องอ้าวก็มาช่วยอ่ะยังไงต้องต้องช่วยแน่แล้วอ่แล้ว เ, เราก็เลยถามท่านว่าเนี่ยหลวงปู่อายุก็จะ80ดสิบแล้วอ่ามาตากฝนอย่างนี้ไม่กลัวเป็นหวัดด้วยเฮ้ยน้ำฝนมันเป็นยาอ้าวเป็นยาจริงเป็นจริงซิ ตั้งแต่นั้นมาพอฝนตกหลวงพ่อก็อาบน้าฝนแล้วทีนี้เพราะน้ำฝนมันเป็นยาอยู่มาวันนึ่งพอฝนตกก็ผัดผา อ, อาบน้ำออกอาบแล้วเพราะว่าหลวงปู่ว่ามันเป็นยาเราจ ะ, จะต้องหายายาท่านก็มองเห็น hey, วิยาังทอะไรอะ่ะนั้นอาบน้ำฝนครับ ทำไมแกหาหนังฝนนะบอกว่าก็หลวงปู่บอกว่านนองฝนเป็นยานี่ เ, นเออยากินมากผมก็ตายไว้ยว <c oughs> ขึ้นขึ้นขึ้นว่าันวนะ่เราเนี่ย <c oughs> ก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะสมัยนั้นเรายัางอายุยี่สิบเอ็ดยี่สบสองยังไงก็เป็นทหารแบบเดียวกับทหาร أ, ทีเอสที่สมัยฮิตเลอร์สงครามโลกครั้งที่สอง เขาจะเอาทหารเนี่ยอายุประมาณไม่เกินสิบแปดถึงยี่สิบเขาเรียกว่ายุวชนหรือว่าทีเอสอะไรนั้นทหารพวกนี้ใช่ตายไปที่ไหนตายหมดเลยเพราะว่าเวลานั้นน่ะอายุยี่บเอ็ดยีสิบสองก็คงจะอยู่ในระดับนั้นน่ะก็จ ะ, ะนั่นท่านบอกว่าน้าฝนเป็นยาก็าอาบ อาบมากเนะี่ยปลอดรวมตายฮะแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าเป็นยาเราก็ต้องเชื่อแต่ว่ายังไงเสียน้ำผลเนี่ยมันก็เป็นยาจริงๆอ่ะแต่ว่าเราวางย้อาบมากได้ทั้งนั้นแหละวันนี้คงเอานิดหนึ่งเท่านี้เพราะว่าเวลามันหมดวันนี้ก็คงจะ มาถึงโยมแล้วเพราะว่าพระหมดไปแล้วก็เอาคณะนักศึกษาฝ่ายฆราวาส <c oughs> เริ่มต้นด้วยเบอร์เก้าหกสี่คุณอรพันลีสิริสุขกราบน้ำมัส ก, การพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะ เมื่อวันที่สิบสองนี้หลวงพ่อได้เล่าว่านั่งสมาธิแล้วปวดขามากนั่งเป็นชั่วโมงไม่เห็นได้ไรเลยแ ล, ลแล้วหลวงพ่อก็เล่าอีกว่าอืมตอนที่ยังไม่ปวดขาคิดไปกิโลหลายหลายกิโลเมตรแต่ตอนที่ปวดอ่ะคิดไม่ไหวแล้วจิตก็ฟังดูแล้วอาการจิตก็เหมือนอย่างนี้เปียบเลยค่ะจิตไปไหนไม่รอด แตะจิตก็ไม่ไม่ได้เลิกลมกันทําสมาธิได้กําหนดกิจ ต, ต่อไปอนาปวดขามากใจก็ยังไปคิดถึงพี่สาวที่เพิ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปไ ม, ไม่นานนี้เองจิตนในใจว่าเอ๊พี่สาวเรายังมีชีวิตอยู่เขาเจ็บเขาปวดทุรนทุรายหายใจก็ไม่ออกนอนก็ไม่ได้พอถึงเวลาเขาก็นอนสบายไม่ร้อง ไม่หายใจนอนตัวแข็งถือตัวซีดหมดเลยเออย่างนี้ละมังนะที่พระเขาชอบพูดว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่สาวเรากว่าจะตายก็เจ็บปวดมากพอเขาทิ้งสังขารเขาก็นอนสบายจิตก็คิดว่าเอเรามาก็หนบจิตทิ้งสังขารดีกว่า ไม่เอาแล้วจะถามอะไรก็ถามไม่อยู่ด้ไม่อยู่แล้วเจ็บเจ็บขาจังเลยในขณะนั้นจิตก็เลยเลิกทำสมาธิไม่เลิกค่ะท่านได้กําหนดจิตว่ามันไปเองกําหนดจิตไปเองว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ๋อแล้วผลดีก็เกิดขึ้นแล้วนี่เพราะเจ็บขาอ่าจิตยลึกสึกสงบมากพอชั่วปีบตาเดียวจิตก็รวมลงเป็นสมาธิ รู้สึกว่าตัวหายไปแล้วความรู้สึกในขณะนั้นมันก็จะหายไปด้วยเหมือนจะดับบุกไปในความรู้สึกขณะนั้นเหมือนมีตาอะไรมามองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่าหลับหลวงพ่อสั่งว่าต้องรู้อยู่ไม่หลับขณะนั้นสิก็ดึงความรู้สึกกลับมานิดนึงร่างที่หายไปก็กลับโปร่งแสง เห็นเียงลางๆเท่านั้นจิตก็ตั้งอยู่ตรงนั้นไม่ทราบว่านานเท่าไหร่ในความรู้สึกว่าข้างในแข็งแรงมากเป็นอยู่อย่างนั้นพักหนึ่งแล้วก็เกิดความสว่างโล่งที่จุดกึ่งกลางระหว่างคิวจิตเขาถามหลวงพ่อว่าจิตนั่งสมาธิถึงตอนปวดขามากแล้วไปปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตผิดทาผิดหรือเปล่าแล้วก็ าการที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรควรแก้ไขหรือไม่กราบนมัส ก, การค่ ะ, ะจิตนี้มันจิตสงบไปแล้วสงบจิตก็เข้าราะวังไปแล้ว <c oughs> แล้วก็การเห็นอะไรต่างๆที่ปรากฏถ้าเรียกว่าเป็นเรียกว่าบอริกรร ม, มนิมิตเป็นนิมิตชนิดหนึ่ง ก็แสดงให้เห็นถึงว่าจิตนั้นได้สงบเข้าไปสู่ฌานชนิดหนึ่งแล้วแต่ว่าสิ่งที่สาคัญก็คือเราจะต้องทำให้เกิดพลังจิตนั่นแหละแต่นิมิตที่เห็นนั้นก็ถือว่าเป็นสุภาษนิมิตฤรธิ์ว่านิมิต ด, ดีแต่ถึงดีเท่าไหร่ก็ตามเราก็ไม่ควรจะยึดถือในนิมิตนั้นเท่าไรก็ปล่อยให้ผ่านไป ก็ถือว่าไม่ผิดนะ <c oughs> อ่าคนอรวหันรัตนปิชามาหรือเปล่ากราบทา้ากราบนวัสการท่านอาจารย์ที่เคารพได้นับถืออย่างสูงขอกราบนวัชการเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่ท่านอาจารย์กําหนดเอ่อการเดินจงกรมให้กําหนดความตัวรู้ไว้ที่หน้าผากเอ่อแล้วก็การดั้งสมาธิให้กําหนดตัวรู้ไว้ที่หน้าผากหรือเปล่า แล้วหลวงพ่อกําหนดให้เดินให้นั่งสมาธิแค่ครึ่งชั่วโมงทีนี้เคยอ่านประวัติท่านอาจารย์บางองท่านนั่งเป็นเดือนเดือนเออท่านเออสิทควรจะสมควรจะทำแบบแบบนั้นหรือเปล่าขอกลับขอพระคุณเจ้าค่ะเรานั่งขึ้นชั่วโมงเป็นเดือนเดือนก็ได้ไม่จำเป็นจะนั่งทีเดียวหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยคงไม่ไหวนอคือว่าที่ให้ทํำครึ่งชั่วโมงเนี่ย เราคิดว่าฐานนะหรือว่าเหมือนกระป๋องของเราเนี่มีเท่านี้มันน้ำมันเต็มถึงมันจะใส่ก็ลงไปอีกเท่าไหร่มันก็ไม่ได้แล้วลเท่านี้ก็คงจะใช้ได้แล้วตักไปกระป๋องหนึ่งวันหลังมาก็ตักอีกกระป๋องหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นความจริงนั้นการนั่งสมาธินานก็ใช้ได้ก็เรียกว่าเขาทานไป แต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยเขาเรียวกว่าพลังจิตเนี่ยมันก็ได้เท่านี้แหละเท่าที่เราได้เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิการนานนั้นไม่ค่อยมีความสำคัญนักแต่ว่าการนั่งนั้นมีสติ อยู่แล้วก็พยายามทำให้มันเกิดสมาธิอยู่เยอะๆอันนั้นสำคัญกว่ า, าต่อไปขอเชิญคุณอริยะตั้งพรตวีกาบนบสการท่านพู้อาจารย์ติดมีคำถามจะขอเรียนถามฝักสองข้อนะครับเนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสมาธิด้วยกันครับ คำถามแรกของสิบนะครับที่ว่าสมาธิซึ่งท่านอาจารย์เปรียบเหมือนกับอาหารนะครับมีสามสามขั้นคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิไรยานมีแปดขั้นแบ่งเป็นรูปฌานสี่ขั้นคือฌานหนึ่งถึงฌานสี่และอรูปฌานคือฌานขั้นที่ห้านั้นในแผนผังหน้าเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ ในลำดับต้นของแผนผังเริ่มต้นด้วยการบริกรรมถัดมาเป็นปฐมฌานเลื่อยขึ้นไปเป็นลำดับนั้นเดิมจากการอ่านตามตาราของสิทธิ์และฟังเข้าใจของสิทธิ์เข้าใจว่าผู้ที่ได้อุปจาระสมาธิแล้วจึงจะเข้าฌานหนึ่งสองสามขึ้นไปเป็นลำดับแต่จากการฟัง อ, อจากผ้าจารย์คําถามตอบจากพระ้าจารย์ ก็มีข้อสงสัยว่านัน่นผู้ที่ได้คณิกาสมาธิจิตยังลำเดินไปได้ถึงขั้นวิตกวิจารปิติสุขหรือเข้าผวังจึงเกิดความสงสัยสับสนว่าลาดับระหว่างขั้นของสมาธิและลำดับขั้นของฌานว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรขอท่านอาจารย์ได้โปรดอธิบายให้ทราบด้วยครับ อ่อันนี้ก็อธิบายให้ฟังแล้วตัว่าจะเป็นอัจละสมาธินั่นอ่ะอันนั้นก็คงจะเกินปฐมฌานไปแล้วคือการเกิดขึ้นซึ่งปฐมฌานนั้นแอบเรียงว่าเมื่อจิตบริกรรมแล้วไม่นึกคิดไปทางอื่นเขาเรียกว่าอารมณ์อันเดียวแล้วเกิดปิติขึ้น อันนี้มันเป็นความรู้สึกอยู่ตื่นๆอันอาจจะเกิดขึ้นสักแป๊บหนึ่งสองนิดหน่อยก็เกิดขึ้นมาได้ทีนี้การที่จะอธิบายถึงฌานนั้นก็แยกออกให้เลยว่าสมาธิเป็นเหตุให้เกิดฌานสมาธิก็สมาธิฌานก็ฌานเพราะว่าพอเวลาที่ไปเป็นฌานแล้วมันจะเกิดความสบายขึ้นทันที ในขณะที่กําลังทําอยู่ทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งมีความรู้ทั้งความรา้อนอันนั้นมันจะเป็นสมาธิบางคนคิดว่าถ้าเป็นอจระสมาธิแล้วเนี่ยจะเงียบหายไปเลยเงียบหายไปเลยนั่นไม่ใช่เงียบหายไปเล ย, น, น, เ ย, ย, เลยนั่นมันเป็นฌานเพราะฉะนั้นแยกออกไปเลยว่าการทําให้เกิดสมาธิคือการมีสติ การที่จะเป็นฌานนั้นเราลองคิดดูว่าที่ท่านแสดงไว้ว่าวิตกวิจารณปิติสุขเอกคตาในปฐมฌานทั้งสุขทั้งเอกคตาทั้งปิติทั้งเอิบอิม่มทั้งสบายมันก็เรียกว่าฌานนะีอันนี้ก็คงจะต้องอธิบายกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ายัางไม่จบเรื่องสมาธิเราคงจะ ตอบกันได้เพียงตอนนี้ครับกาอทัศการอาจารย์ขออนุญาตอีกข้อหนึ่งนะครับคิดว่าข้อนี้น่าจะมีผู้สนใจค่อนข้างมากนะครับคำว่าจิตกับใจมีความหมายว่าอย่างไรมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันก็พูดให้มันหลายพยายามไปเพื่อมาให้มันซ้ำกันเท่านั้นแหละ่็ะะวันนี้ได้ทันนีแล้วนะเอาตอนนี้ก็แล้วกัน